วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบพฤษภาคมพุทธศักราช2559เป็นวันวิสาขบูชาแปลว่าวันบูชาในเดือนวิสาขะในเดือนวิสาขะในสมัย พุทธการมีเหตุการณ์สำคัญสาคัญเกิดขึ้นสามครั้ง้วยกันคือครั้งที่หนึ่งคือการตรสูตรของพระพุทธเจ้าครั้งที่สองคือการตัดสรตวของพระพุทธเจ้าและครั้งที่สามเป็นการเสด็จดับขันธ์ปรลนิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกันในวันเดียวกันคือวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนวิสาขะจึงมาจึงเป็นที่มาของการบูชาที่เรียกว่าวิสาขบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธศาสนิกชนได้น้อมจิตน้อมใจ เข้ามาสู่วัดวาอารามเพื่อทำการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันตระเสดิจอย่างยิ่งแก่สัตว์โลกวันสำคัญทั้งสามวันนี้มีวันสำคัญที่สุดคือวันตัดสรุเพราะ วันประสูติกับวันเสด็จดับขันธ์ธาปรินิพานเป็นเรื่องปกติที่มีด้วยกันทุกคนทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีวันเกิดแล้วก็มีวันตายแต่วันเกิดและวันตายของพวกเราทุกคนนี้ไม่มีประโยชน์ต่อสัตว์โลก ต่อผู้อื่นแต่อย่างไรเพราะเราไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ตัดสรุปธรรมพระพุทธเจ้าทรงได้ตัดสรุปธรรมจึงทรงมีพระคุณมีประโยชน์ต่อสัตว์โลกอย่างมหาศาลเพราะการตัดสรุปธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้พระองค์ ได้ทรงเห็นทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเองมีคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้สร้างสะสมบุญบารมีมา อย่างโชคโชนอย่างมากมายจึงทำให้พระองค์มีความสามารถที่จะค้นพบทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้คือวันสำคัญที่สุดคือวันจัดสรุซึ่งเกิดขึ้น ในขณะที่พระองค์ทรงมีพระพันชาพระพันษา 35, ส5สหพันษารือมีอายุสาสิบห้าปีทรงสเสด็จออกบวชขณะที่มีอายุ29สิบปีและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาและได้ปฏิบัติอยู่หปีจึงได้ หลุดพ้นจึงได้ตัดสรูเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพบทางสู่การสิ้นสุดของความทุกข์และได้ทรงปฏิบัติตนทรงปฏิบัติพระองค์ให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือความสำคัญ ของพระพุทธเจ้าของพวกเราเพราะว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงตัดสรู้พวกเราก็คงจะไม่รู้จักท่านเพราะท่านก็คงจะไม่ได้ทําประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทําเพราะว่าการที่ได้ รู้ทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลกอย่างพวกเรา <c oughs> เป็นอย่างมากเพราะโดยลาพังพวกเราเองนี้จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มี พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเป็นผู้นำทางเป็นผู้พาเราไปเพราะทางนี้เป็นทางที่ยากต่อการที่จะรู้ที่จะเห็นได้ดังนั้นการที่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐเป็นโชคเป็นวาสนาเพราะนานๆที่โอกาสอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเป็นสิ่งที่ยากกว่าการเกิดเป็น สัตว์อย่างอื่นเช่นสัตว์ในรายชานและการเกิดของพระพุทธศาสนาคือการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างมากนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกสักครั้งหนึ่ง จังหวะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นโอกาสที่ยากสองเท่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากแล้วแล้วอย่างการเกิดของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาก็เป็นของที่ยากดังนั้นการที่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้จึงถือว่าเป็นโชคสองชั้นด้วยกันและเป็นโชคที่สําคัญที่จะต้องมีเพราะว่าถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สามารถที่จะ รู้จากทางสู่การหลุดพ้นได้ต่อให้เรามีความปรารถนาความอยากจะหลุดพ้นมากน้อยเพียงไรก็าตามเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างนำทางพาเราไปหรือว่าถ้าเรามาเกิดในโลกนี้แต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เช่นมาเกิดเป็นเดรัจฉานเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในป่าในเขานี้เช่นเป็นนกเป็นงูเป็นลิงหรือเป็นกวางเป็นต้นถึงแม้ว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้อยู่ใกล้ชิดกับพระภิกษุได้มีการแสดงเทศนา แต่การเป็นสัตว์เดราชานี้ก็ไม่สามารถที่จะฟังพระเทศนาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะไม่มีรไม่รู้จักภาษาของมนุษย์นั่นเองดังนั้นถึงแม้ว่าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ก็จะ ไ ม, ไ, ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจำเป็นที่จะต้องเป็นมนุษย์และจำเป็นจะต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาถึงจะสามารถที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วนำเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเจวันเจเดือนหรือเจดปีตามที่ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าผู้ใดก็ตามถ้าสามารถปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมไว้ในสติปัฏฐานสูตรคือทรงสอนให้เจริญสติอย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอไม่ให้ขาดวัาขาดตอนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับให้มีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องการเจริญสติก็คือการดึงใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆที่จะดึงใจให้ไหลไปในอดีตบ้าง ไ ป, นะไปในอนาคตบ้างให้ดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันด้วยการใช้อุบายของการสร้างสติอุบายที่ใช้การสร้างสติเรียกว่ากรรมฐาน40มีอยู่40ชนิดด้วยกันเช่นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติก็ให้ บริกรรมคำว่าพุโทโธพุโทโธไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรพอลืมตาขึ้นมาก็ดึงใจไว้อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจะคิดก็คิดกับเรื่องที่จาเป็นจริงๆเท่านั้นเช่นว่าจะต้องทำอะไรในตอนนี้ พอลืมตาขึ้นมาก็ต้องคิดแล้วว่าจะต้องลุกเข้าไปห้องน้ำพอเดินไปห้องน้ําก็ใช้คําบริกรรมพุทโธกํากับควบคุมใจดึงใจไว้อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นๆให้คิดอยู่กับเรื่องที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันกําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัว รับประทานอาหารก็ให้มีคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดถ้ามีเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดจริงๆก็หยุดคําบริกรรมไว้ได้ชั่วคราวพอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาใช้คําบริกรรมต่อจนกว่าใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ท่าใจสามารถตั้งอยู่ในปัจจุบันได้สามารถอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันได้เช่นการเคลื่อนไหวของร่างกายการกระทําของร่างกายต่างๆถ้าใจอยู่กับการกระทํากับการเคลื่อนไหวของร่างกายจะไม่ใช้คําบริกรรมก็ได้เพราะว่ากําลังใช้กายกตาสติ คือใช้การดูการเคลื่อนไหวดูการกระทําต่างๆของร่างกายเป็นที่ผูกใจเป็นที่ตั้งสติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะใช้คําบริกา ร, รไปก็ได้หรือจะใช้การดูการเคลื่อนไหวการกระทําอะไรต่างๆของร่างกายไปก็ได้เรียกว่ามีสติ เรียกว่าใจไม่ลอยไปตามกระแสของความคิดรุงแต่งไม่ลอยไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ลอยไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้อยู่กับปัจจุบันเพื่อที่ใจจะได้ว่างใจว่างแล้วใจจะเย็นจะสบายจะไม่มีอารมณ์ตึงเครียดต่างๆ หรือมีความอยากต่างๆเข้ามาที่จะกดดันจิตใจให้ไปทำอะไรต่างๆที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจแต่กลับเป็นโทษแก่จิตใจแล้วพอมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆก็ควรจะนั่งเฉยๆนั่งหลับตาเพื่อที่จะได้ดึงใจ ให้เข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้ามีสติคอยควบคุมใจตลอดเวลาเวลานั่งจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโ ธ, พทโธเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้การผสมกัน ระว่างคำบริกรรมกับลมหายใจเข้าออกก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทอันนี้แล้วแต่จริตนิสัยแล้วแต่ความถนัดของผู้ปฏิบัติที่จะพิจารณาเอาเองว่าอย่างไหนจะเหมาะสมกับตน ข, ข้อสำคัญก็คือเพื่อมีหลักให้ใจยึดไว้ ไม่ให้ใจไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆเพราะถ้าไหลไปตามความคิดปรุงแต่งแล้วใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ไม่สามารถเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้แต่ถ้าใจจดจอ่ออยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเช่นคําบริกรรมพุทธโธหรือการดูลมหายใจเข้าออก ถ้ามีการดูอย่างต่อเนื่องไม่นานใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบใจก็จะเนื่องจะเย็นจะสักแต่ว่ารู้จะเป็นอุเบกขาคือปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลงใจจะว่างจะเย็นจะสบายเวลาเข้าถึงจุดนั้นเป็นเวลาที่ต้องการให้ อยู่ในนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ไม่ควรไปรบกวนความสงบในตอนนั้นด้วยการดึงใจมาพิจารณาทางปัญญาตอนนั้นตอนนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะพิจารณาทางปัญญาตอนนั้นเป็นเวลาที่จะให้จิตสร้างกำลังของอุเบกขาขึ้นมาให้มากๆเพราะกำลังของอุเบกขานี้ จะสนับสนุนปัญญาเวลาที่จะต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นตัวฉุดล่拉จิตใจให้ไปสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆที่เป็นตัวที่จะเดืองใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายนะถ้าไม่มีผู้เบขาและไม่มีปัญญา ใจจะต้องไหลไปตามกระแสของความอยากต่างๆแต่ถ้าใจมีอุเบกขาและมีปัญญาเห็นโทษของการทำตามความอยากว่าเป็นการดำเนินไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ใจก็จะสามารถฝืนความอยากต่างๆได้ พอฟื้นความอยากต่างๆได้ความอยากก็จะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อจิตใจอีกต่อไปจะไม่สามารถมาทำให้ใจทุกข์จะไม่สามารถฉุดลากใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายได้อีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย นี่คือการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่มีความปรารถนาต่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้พยายามปฏิบัติกันถ้าปฏิบัติได้ผลก็จะเกิดขึ้นภายใน7วันบ้าง7เดือนบ้างหรือ7ปีบ้าง ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติแต่ละคนที่มีความรู้ความสามารถที่ได้สะสมมาในอดีตนี้มามากน้อยไม่เท่ากันผู้ที่มิได้สะสมความรู้ความสามารถมามากก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เร็วผู้ที่ได้สะสมความรู้ความสามารถมาน้อย ก็จะบรรลุช้าหน่อยแต่ก็จะบรรลุด้วยกันทั้งหมดถ้ามีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่มีวันถอยอาจจะมีการพักบ้างอาจจะมีการผ่อนบ้างแล้วแต่เหตุการณ์ที่อาจจะทำให้บางครั้งอาจจะไม่สามารถ ปฏิบัติได้เต็มที่แต่ก็ไม่ถอยไม่หยุดไม่เลิกอาจจะมีการพักบ้างผ่อนบ้างตามเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้ต้องทำอย่างนั้นแต่จะไม่ยอมถอยจะไม่ยอมเลิกจะพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องได้บรรลุ อย่างยกตัวอย่างพระอานนุ์ผู้ที่เป็นพระอุปถากของพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาอุปถากพระพุทธเจ้าอยู่ถึง20กว่าปีด้วยกันเลยไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่จึงไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดต้องรอจนหลังจากที่พระพุทธเจ้า ได้สรงเสด็จดับขันธ์ทั้งนี้ผ่านไปแล้วพ อ, พอพระพุทธเจ้าได้จากไปแล้วพระ อ, อ น, นุนก็เป็นเหมือนคนตกงานไม่มีภารกิจที่จะต้องมาคอยอุปถาก์รับใช้พระพุทธเจ้าจึงมีเวลาที่จะเอาไปปฏิบัติจเจริญสติสมาธิและปัญญาอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับจึงทำให้พระอนุ์สามารถบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้ภายในระยะเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นนี่คือตัวอย่างให้พวกเราให้เห็นว่าการจะบรรลุหรือไม่บรรลุนี้อยู่ที่การทำความเพียรไม่ได้อยู่ที่การเกาะติดอยู่กับชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้า ดังที่พระ อ, องค์ทรงตรัสไว้ว่าต่อให้เธออยู่ใกล้ชิดกะติดอยู่กับชายผ้าเหลืองของเราแต่เธอถ้าเธอไม่ได้ปฏิบัติเธอก็เหมือนอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยนแต่ถ้าเธออยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยอแต่ถ้าเธอมีการปฏิบัติคือมีการเจริญสติมีการเจริญสมาธิมีการเจริญปัญญาเธอก็ เท่ากับอยู่เกาะชายผ้าเหลียงเธออยู่ใกล้ชิดเราเธอก็จะบรรลุธรรมได้นี่คือความหมายของการเกาะติดชายผ้าเหลียงเกาะติดด้วยการทําความเพียรเกาะติดด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาถ้าผู้ใดมีการ ทำความเพียรในการเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องรับรองได้ว่าผู้นั้นจะต้องได้และบรรลุธรรมอย่างแน่นอนเพราะการทำความเพียร น, นี้เป็นเหตุและการบรรลุธรรมนี้เป็นผลถ้ามีเหตุผลจะต้องตามมาอย่างแน่นอนเหมือนกับชาวนาวชาวไร่ที่มีความขยันในการ ทำการเพาะปลูกพืชต่างๆพอถึงเวลาพืชที่ได้เพาะปลูกเหล่านั้นก็จะออกดอกออกผลขึ้นมาดังนั้นพวกเราไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องของการจากไปของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงจากพวกเราไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแล้ว เราจะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้แล้วว่าเวลาที่พระองค์จากพวกเราไปแล้วสิ่งที่จะมาทําหน้าที่แทนพระองค์ก็คือพระธรรมคําสอนที่ได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี้เองที่เรียกว่าสวากาโตภะกวตาธโมทำที่ตัด ไว้ชาอบนี่และจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสตราถ้าเราอยากจะเข้าหาศาสดาขอให้เราเข้าหาพระธรรมคําสอนเถิดอย่างที่พวกเรากําลังทํากันอยู่ในขณะนี้การฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เรียกว่าการเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้วิธีของการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตราบใดถ้าพวกเราให้ความสำคัญต่อการศึกษาและนำเอาสิ่งที่เราได้ศึกษานั้นไปปฏิบัติตราบนั้นเราจะได้รับผลจากการศึกษาและการปฏิบัติอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดเพราะพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลาเหมือนกับสิ่งต่างๆเช่นสินค้าหรืออาหารหรือยาต่างๆที่มักจะต้องเสื่อมไปตามเวลาเวลาที่เราไปซื้ออาหารซื้อยาจะมีฉลากติดไว้กับโพ กับภาชนะที่ใสา ย, ยาใสาอาหารว่าควรบริโภคภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้เพราะหลังจากนั้นแล้วจะเสื่อมประสิทธภาพจะเสื่อมคุณภาพไปจะไม่สามารถยังประโยชน์และอาจจะทำให้เกิดโทษแก่ผู้บริโภคได้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับสินค้าต่างๆ เป็นสิ่งที่เรียกว่าอากาลิโกคือไม่เสื่อมไปตามการตามเวลามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพระพุทธการก็ยังมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลในสมัยปัจจุบันนี้และในอนาคตที่จะตามมาต่อไปดังนั้นพวกเราจึงไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลว่าเรามาเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้า เราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติและหลุดพ้นได้เพราะว่าเรามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแผนที่ที่จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรายังมีพระอรหันตสตถาคกที่จะมาคอยอธิบายมาคอยแยกแยะมาคอย พาให้พวกเราได้ดลุดพ้นกันถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระอาลันตสาคตที่สามารถที่จะทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้แต่อาจจะไม่ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะความสามารถในการแสดงธรรมนี้ไม่มีใครที่จะเสมอเท่ากับพระพุทธเจ้า ป้านะแต่สาวกแต่ละพระองค์นี้เป็นรองพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ก็ยังสามารถที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาได้หลุดพ้นได้อาจจะช้าหน่อยอาจจะยากหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับถ้าได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนี่คือความแตกต่างของการที่ไม่มีพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ สิ่งที่เหมือนกันก็คือจะมีการบรรลุจะมีการหลุดพ้นอย่างแน่นอนถ้ามีการศึกษาและมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดไม่หย่อนตราบใดที่มีการปฏิบัติไปไม่นานผลก็จะต้องมีตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติ อันนี้ก็จะไม่มีผลตามมาดังนั้นขอให้เราดูที่ความเพียรของเราความเพียรความพยายามของพวกเราว่าเรากำลังเพียรพยายามสร้างทำต่างๆขึ้นมาหรือไม่ทำที่เราต้องเพียรพยายามสร้างกันก็คือสติสมาธิและปัญญาและเราต้องใช้อ ศีลเป็นเครื่องสนับสนุนเราต้องอาศัยสถานที่สงบสงัดวิเวกเพราะว่าจะเป็นที่เหมาะสมต่อการเจริญสติสมาธิปัญญานั่นเองถ้าเราไม่มีศีลเช่นศีลแปดไว้เป็นเหมือนกับกำแพงหรือรั้วกั้นใจของพวกเราใจของเราก็จะไปทะเทะลถลาลไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ ทำให้เราไม่มีเวลามาปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราสร้างรั้วสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อกันใจของเราไม่ให้ทะเลทลออกไปนอกลูกนอกทางเพราะถ้าเราไม่มีศีลแปดนี้ใจของเราก็สามารถที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์ได้ คือเป็นความสุขต้นแต่ทุกปลายการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขแบบยาเสพติดนะเวลาที่ได้เสพก็จะรู้สึกว่ามีความสุขแต่เวลาที่ไม่ได้เสพก็จะมีความทุกข์ทรมานใจนะและไม่ช้าก็เร็ว ก็จะต้องไม่สามารถเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผทธภะได้เพราะรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะโดยธรรมชาติของเขาก็เป็นอนิจจงคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรบางทีเราก็ได้บางทีเราก็ไม่ได้บางทีอยากจะดูอยากจะฟังอะไรบางทีก็ได้ฟังบางทีก็ไม่ได้ฟังเวลาได้ฟังก็สุข เวลาไม่ได้ฟังก็จะทุกข์แล้วร่างกายที่เราใช้ในการเสบรูปเสียงกิดรดก็เป็นร่างกายที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันเป็นร่างกายที่เมื่อเจริญเติบโ ต, ตเต็มที่แล้วก็จะต้องแก่ลงไปตามลำดับแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุดพอร่างกายไม่สามารถ เสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ใจก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการพบกับความสุขของพระนิพพานให้สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปด้วยการรักษาศีลแปด ดูรักษาศีลของนักบวชเช่นถ้าเป็นพระภิกษุก็ศีล227ข้อถ้าเป็นสา ม, มเณรก็ศีล10ข้อเป็นต้นอันนี้เป็นรั้วเป็นกำแพงที่จะป้องกันไม่ให้ใจไปทะเลทลายทำกิจกรรมที่เป็นโทษกับใจและจะทำให้ไม่มีเวลามาบำเพ็ญ มาสร้างทมที่จะทําให้ดุจพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการมาเจริญสติมันเจริญสมาธิและเจริญปัญญาถ้าเอาเวลาไปหาความสุขทางร่างกายก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขทางใจด้วยการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญา และเมื่อเรารักษาศีลแปดแล้วเราก็ยังต้องไปหาสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้มันก็เบือ น, น้ำน้ำมันกับไฟมันจะลุกขึ้นมาเวลาตาไปเห็นรูปข้าวนี้จะเกิดตันหาความอยากขึ้นมาทันที จึงต้องสัมรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเหมือนกับเวลาที่เข า, เ, าเก็บไฟกับน้ํามันนี้เขาจะแยกไว้ไม่ให้ให้อยู่กันคนละสถานที่ไม่ให้อยู่ใกล้กันเพราะถ้าไฟอยู่ใกล้น้ํามันก็จะเกิดการประทุ ข, ขึ้นมาได้อย่างง่ายดายฉันใด ตาหูจะบวกวิ่งกายกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนี้ก็ต้องอยู่ห่างไกลกันเพื่อจะได้ไม่เกิดตันหาความอยากต่างๆขึ้นมาเลยต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ในสถานที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะมายั่วยวนกวนใจมาสร้างตันหาความอยากต่างๆเพราะถ้าเวลาเกิดตันหาขึ้นมาแล้วใจจะมีความหงุดหงิด มีความฟุ้งซ่านจะทำให้ไม่สามารถจเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบได้ถ้าใจไม่สงบก็จะไม่มีกำลังที่จะออกไปทางปัญญาได้ที่จะไปพิจารณาสภาวะธรรมต่างๆตามความเป็นจริงของเขาก็จะหลงติดอยู่กับสภาวะธรรมพระ จะเห็นกับตรงกันข้ามที่เรียกว่าเห็นกับตาลปัดคือเห็นกงจากเป็นดอกบัวแทนที่จะเห็นสภาวะธรรมต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลพึพพะหรือลาบยศรเสร์ญสุขหรือร่างกายหรือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือธรมรมอารมณ์ต่างๆว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่า เขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปเก็บเขาไว้ให้อยู่กับเราได้ตลอดเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเวลาเขามาเราดีใจแต่เวลาเขาไปเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาถ้าเรารู้ว่า เขาจะต้องจากเราไปเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเราก็จะไม่มีความเสียใจนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่เราจะต้องไปหาที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็ต้องไม่คุกคีกันเวลาอยู่ร่วมกันก็จะไม่เข้ามาคุกคีนั่งสนทนาคุยกัน ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติยกเว้นเวลาที่จะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นมารับประทานอาหารร่วมกันหรือมาทำความสะอาดสถานที่ร่วมกันก็ใช้สติควบคุมใจไม่ให้คุยกันต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนไปมีสติอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ ถ้าจะพูดบ้างก็อาจจะพูดเพื่อบอกว่าให้ทำอย่างนั้นหรือให้ทำอย่างนี้เท่านั้นแต่จะไม่สนทนาปราศัยคุยกันแบบคุยวิพากษ์วิจารสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คุยเรื่องการบ้านการเมืองเศรษฐกิจหรืษษษษรออะไรต่างๆการพูดคุยเหล่านี้จะทําให้ใจฟุง้งซ่านจะทําให้ใจขาดสติ และจะทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากดังนั้นเวลาที่ไปปรีกวิเวกแล้วเวลาที่จำเป็นที่จะต้องมาร่วมทำกิจกรรมกันก็พยายามไม่พูดคุยกันพูดคุยให้น้อยที่สุดพูดเท่าที่จำเป็นพยายามรักษาใจให้สงบไม่ให้คิดปรุงแต่งไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องงานที่กำลังทําอยู่ในขณะนั้น เป็นกําลังกวาดถูอะไรก็ให้อยู่กับงานกวาดถูกําลังล้างกําลังเช็ดอะไรก็ให้อยู่กับงานที่กําลังล้างกําลังเช็ดกําลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติในขณะที่มาทำภารกิจต่างๆาะมีการเจริญสติมีการควบคุมใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสความคิดตรุงแต่งต่างๆ ถ้ามีการควบคุมใจอย่างนี้เวลากลับไปปฏิบัติที่พักก็จะสามารถปฏิบัติต่อได้อย่างอย่างรวดเร็วไม่ขาดตอนไม่เหมือนกับเวลาที่ออกมาแล้วก็ไม่ควบคุมใจปล่อยให้ไปคิดไปสนทนาไปคุยกันพอกลับมาที่พักใจก็ฟุง้งอยู่กับเรื่องที่คุยกันอยู่ กว่าที่จะระ ง, งับความคิดปรุงต่างๆเหล่านั้นได้ก็จะใช้เวลานานพอสมควรก็จะทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรผู้ปฏิบัติจึงต้องคอยสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายคอยควบคุมวาจาไม่ให้ไปพูดในสิ่งที่ไม่ควรที่จะพูดไม่ให้คิดถึงในเรื่องที่ไม่ควรจะคิด เพื่อที่จะได้รักษาความว่างความสงบของใจเพื่อที่เวลากลับไปปฏิบัติจะได้สามารถทำใจให้สงบได้อย่างง่ายดายเช่นพอกลับไปที่พักก็อยากจะนั่งสมาธิก็นั่งได้เลยใจก็ยังอยู่ในปัจจุบันพอให้อยู่กับลมหายใจก็จะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเช่นเหตุการณ์ที่เพิ่งไปทามา ไปอาบไปรับประทานอาหารไปทำความสะอาดอะไรต่างๆพอผ่านมาแล้วมันก็จะหายไปถ้าใจตั้งอยู่ในปัจจุบันสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี้มันหายไปหมดแล้วมันเป็นอดีตไปหมดแล้วที่มันยังกลับมาอยู่ในใจของเราก็เพราะใจของเราไม่มีสติดึงให้อยู่ในปัจจุบันปล่อยให้ย้อนกลับไปหาอาดีต พอไปคิดถึงอดีตก็อาจจะทาให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้แล้วก็จะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ดีคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะมีไว้ในการปฏิบัติคือต้องมีการรักษาศีลแปดขึ้นไปมีการเปกวิเวกไม่ขูดไม่คุกกี่วกันไม่พูดคุยกัน ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างทำภารกิจหน้าที่ของตนแล้วก็ต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารเพราะการรับประทานอาหารถ้ามากเกินไปก็จะเป็นนิวร์ขึ้นมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติจะเกิดความง่วงเหงาหาวนอนจะเกิดความเกลียดคร้านจะอยากนอนมากกว่าอยากจะปฏิบัติ ผูปฏิบัติจะต้องจึงจําเป็นจะต้องรับประทานอาหารให้พอประมาณอย่าให้มากเกินไปยอมตัดความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสุขที่จะได้จากการทําใจให้สงบจะคุ้มค่ากว่าเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มีน้ําหนักมากกว่าความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติจึงมักจะยอมอยู่แบบอดอดอยากยากบางครั้งถึงกับการผ่อนอาหารกันหรืองดการรับประทานอาหารกันเป็นวันๆก็มีถ้าได้รับประโยชน์จากการผ่อนอาหารจากการอดอาหารผู้ปฏิบัติก็มักจะยินดีทําอย่างนั้นเพราะเวลาที่อดอาหารหรือผ่อนอาหารนี้ ความหิวมันจะบังคับให้ผู้ปฏิบัตินี้ต้องเจริญสติต้องทำใจให้สงบต้องป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องของอาหารเพราะเวลาคิดถึงอาหารแล้วมันจะเกิดความหิวขึ้นมาทางใจความทรมานนี้ไม่ได้เกิดจากความหิวของทางร่างกายแต่เกิดจากความหิวทางใจที่ไปคิดอยากจะรับประทานอาหาร แต่ความหิวทางใจนี้สามารถที่จะดับมันได้ด้วยการเจริญสติด้วยการทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วความหิวความทรมานทางใจจะหายไปความหิวทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาต่อใจที่สงบเพราะความหิวของทางร่างกายนี้มีน้ำหนักไม่มากสู้ความสงบไม่ได้สู้ความสุข ความอิ่มของใจที่ได้จากความสงบไม่ได้จึงทำให้รู้สึกว่าไม่หิวเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับประทานอาหารเป็นวันวันมาก็ตามนี่คือประโยชน์ของการผ่อนอาหารหรือรับประทานอาหารพอประมาณหรืออดอาหารเพราะจะเป็นตัวที่จะกระตุ้นให้ทำความเพียร น, นั่นเอง พอเวลาอดอาหารนี้ถ้าไม่ควบคุมใจไม่เจริญสติไวนี้เดี๋ยวใจจะต้องไปคิดถึงอาหารพอคิดถึงอาหารแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะรู้สึกหิวโหยรู้สึกทรมานใจเป็นอย่างมากแต่พอใช้สติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงอาหารได้ความหิวโหยความทรมานใจนั้นก็จะหายไปแล้วพอใจเข้าสู่ความสงบ ก็จะเกิดความอิ่มใจขึ้นมานี่คือการให้อาหารใจที่ถูกต้องคือให้สติให้สมาธิแก่ใจเป็นอาหารของใจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจอิ่มถ้าไปให้อาหารแก่ร่างกายเวลาเกิดความหิวทางใจความหิวทางใจก็ไม่หายไปเราประทานจนกระทั่งร่างกาย กลายเป็นต wow ah ุ่มก็ยังมีความหิวมีความอยากอาหารอยู่เรื่อยๆอยากรับประทานมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความอยากทางใจนี้มันไม่ได้หมดไปด้วยการเราทำตามความอยากมันกลับจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแรงขึ้นไปเรื่อยๆความอยากจะหายไปก็ต่อเมื่อเราฝืนไม่ทำตามความอยากถ้าเราฝืนไม่ทำตามความอยากรับประทานอาหารไปเรื่อยๆ ต่อไปเราจะไม่รู้สึกหิวกับเรื่องอาหารเราจะกินก็เฉพาะเวลาที่ต้องกินเท่านั้นและอาจจะต้องบังคับเสียด้วยซ้าไปกินเพื่อร่างกายถ้าเราฝืนความอยากทางใจได้แล้วต่อไปเรื่องของการรับประทานอาหารนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้ายังไม่ถึงเวลารับประทานอาหารนี้จะไม่รู้สึกอะไรถึงแม้จะมีอาหารมาตั้งไว้ข้างหน้าก็จะไม่รู้สึกอะไร เพราะใจได้รับอาหารที่ดีกว่าอาหารของทางร่างกายใจได้รับความสงบได้สมาธิได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจนี่คือเหตุผลที่ทำไมผู้ปฏิบัติบางคนถึงนิยมใช้การโอดอาหารใช้การผ่อนอาหารเพราะเป็นเครื่องที่จะกระตุ้นความเพียร น, นั่นเอง การอดอาหารเองผ่อนอาหารเองโดยดลําพังนี้ไม่สามารถทําให้เกิดธรรมต่างๆขึ้นมาได้ถ้าเกิดได้พวกคนที่ยากจนอดอยากขาดแคลนอดมือกินมือเขาจะต้องมีธรรมะมากมายแต่มันเขาไม่มีกันก็เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้การอดอาหารนี้มาสร้างธรรมะคือกสติสมาธิและปัญญา ดังนั้นขอให้เข้าใจว่าการอดอาหารเฉยๆโดยไม่ปฏิบัตินี้ไม่เป็นคุณประโยชน์แต่อย่างใดอย่าไปเกดิดอย่าไปอดให้เสียเวลาอย่าไปคิดว่าพอเราอดอาหารแล้วสติจะมาเองสมาธิจะมาเองปัญญาจะมาเองอันนี้มันไม่มีวันมาถ้ามาพวกคนขอทานนี้เขาก็จะต้องบรรลุธรรมก่อนพวกคนที่กินอาหารกันอดังนั้น แต่การอดอาหารนี้มันเป็นการกระตุ้นหรือบังคับให้ผู้ปฏิบัติอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เพราะใจมันจะหิวมันจะโหยมันจะอยากมันจะทุกข์อย่าต้องหาวิธีแก้ความทุกข์ความหิวโหวยของใจสิ่งที่จะมาแก้ความหิวโหวยความทุกข์ของใจก็คือสติสมาธิและปัญญานี่เองพอเกิดความหิวของใจขึ้นมาก็จาเป็นที่จะต้องเจริญสติ คอยควบคุมความคิดของใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอาหารต่างๆหรือถ้าจะไปคิดถึงเรื่องอาหารก็จะคิดไปในทางของปัญญาคือพิจารณาอาหารว่าเป็นสิ่งโสโคร ก, กไม่น่าดูไม่น่ารับประทานเช่นเวลาอาหารที่เข้าไปในปากแล้วลองนึกถึงภาพของอาหารที่อยู่ในปากดูว่ามันน่าดูไหมมันน่ารับประทานไหมถ้าไม่เห็นก็ลองคายมันออกมาดู แล้วดูว่าจะตักเข้าไปลับประทานได้หรือไม่หรืออาหารขณะที่ไปรวมกันอยู่ในท้องเวลาเจียนออกมาแล้วเราสามารถที่จะเอากลับเข้าไปในท้องใหม่ได้หรือไม่ให้ดูความไม่สวยงามดูความสกปรกของอาหารเวลาคิดถึงอาหารอย่าไปคิดถึงอาหารในขณะที่อยู่ในจานถ้ามองอาหารที่อยู่ในจานแล้วมันจะหิวมันจะอยาก แต่พอไปมองอาหารที่อยู่ในปากที่กำลังขบเคี้ยวด้วยฟันผสมกับน้ำลายหรือเวลาที่กืนเข้าไปในท้องแล้วหรือเวลาที่ขับออกมาจากทวารแล้วมันก็จะทำให้เรานี้ไม่อยากจะรับประทานอาหารได้ความหิวโหยที่เกิดจากการไม่ได้รับประทานอาหารมันก็จะหายไปเพราะความหิวโหยส่วนใหญ่ 90% เซน์นี้เกิดจากความหิวโหยของใจ ความหิวของทางร่างกายนี้มันมีเพียงสิบเปอร์เซ็น์เท่านั้นพอความหิวโหวยของทางใจหายไปก็เลยไม่รู้สึกหิวเพราะว่าเวลาใจสงบมันกลับได้รับความอิ่มขึ้นมาเวลาใจสงบนี้มันอิ่มมันสุขมันสบายเหมือนกับมันได้รับประทานอาหารมายกหยกนั่นเองอนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงส่ง อพระกายอาหารได้ถึง49วันด้วยกันพระ อ, องค์ใช้การเจริญสติใช้การเจริญสมาธิแต่พระ อ, องค์ก็ยังไม่สามารถกําจัดความหิวจากอาหารได้ถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วต่อไปนี้ความหิวโหวยเรื่องของอาหารนี้จะไม่มีเพราะเวลาใดที่เกิดความหิวโหวยทางใจขึ้นมาพอนึกถึง ความเป็นปฏิกูลของอาหารที่จะรับประทานเข้าไปนี้มันก็จะทําให้ไม่อยากจะรับประทานความอยากจะรับประทานความหิวโหวยก็จะหายไปทันทีนี่คือเรื่องของอุบายต่างๆที่ผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพน้นจําเป็นจะต้องศึกษาและนําเอาไปปฏิบัตินถ้าไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อุบายต่างๆนี้เรามักจะไม่รู้กัน เพราะว่าถ้าเราศึกษาจากหนังสือเช่นจากพระไตรปิฎกนี้บางทีมันไม่ละเอียดพอหรืออาจจะละเอียดแต่เราอาจจะอ่านไม่ครบกระะ็ได้เพราะมีหลายสูตรด้วยกันแต่ถ้าได้อยู่กับครูบาอาจารย์นี้ท่านจะคอยสอนอย่างใกล้ชิดท่านจะนำพาปฏิบัติแล้วจะทำให้เรา รู้และปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดายไม่ต้องไปเสียเวลาค้นคว้าในพระไตรปิฎกในพระสูตรต่างๆหรือแม้แต่ในหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะว่าธรรมะที่ท่านสอนนี้มันก็มีหลากหลายมีหลายระดับด้วยกันบางระดับอาจจะไม่เหมาะกับระดับของเราก็ได้อ่านไปก็อาจจะไม่ได้นำเอามาใช้ประโยชน์ได้แต่เวลาอยู่ใกล้ชิด ผู้ปฏิบัติธรรมนี้เขาจะมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีตัวอย่างให้เห็นพอเห็นเขาปฏิบัติก็ทำให้เราปฏิบัติตามพอเราได้ปฏิบัติตามเราก็จะได้ผลอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงประกาศพระศาสนาพระองค์ไม่ต้องการอะไรจากการประกาศพระศาสนานอกจากการเห็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์นำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุได้ดุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนา พอพระองค์ทรงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วทรงเห็นว่าถ้าพระ อ, องค์ไม่ทรงสอนไม่ทรงประกาศพระาศาสนาสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ก็จะต้องติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดมีพระ อ, องค์เพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถที่จะช่วยให้พวกเรานี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ด้วยการประกาศพระศาสนาการประกาศพระธรรมคาสอนถ้าพระองค์ไม่กระทาพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์จึงทรงตัดสินพระไถยที่จะสละเวลาที่ทรงเหลืออยู่คือประมาณส5สบหปีด้วยกันเอามาเอาธรรมะคาสอนที่พระองค์ได้ทรงตัดสรรนีมาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่น ผู้ใดที่นำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติได้ผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้ไปถึงพระนิพพานแดนแห่งความบรมมสุขแดนที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขแดนที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือความปรารถนาของพระพุทธเจ้าในการแสดงพระธรรมคำสอนถ้าพวกเราอยากจะ ทดแทนบุญคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ขอให้พวกเราทดแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาการบูชานี้มีสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าอามิสบูชาคือการกราบไหว้แสดงความเคารพนับถือกราบไหว้ด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูกเทียนอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาซึ่งเป็นการบูชาที่ยังไม่ ได้ผลที่พระ อ, องค์ทรงต้องการสิ่งที่พระ อ, องค์ต้องการก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราและการที่จะหลุดพ้นได้ น, นี้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัตินดังนั้นการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมนี้เรียกว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติบูชาดังนั้นเราควรที่จะ ทำการบูชาทั้งสองอย่างเวลาที่เราเจอพบพระพุทธเจ้าเช่นพบกับพระพุทธรูปเราก็แสดงอามิสสบูชาด้วยการกราบไหว้ด้วยการาถวายเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูปเทียนแต่อย่าไปคิดว่าเป็นการบูชาที่พอแล้วอันนี้เป็นการบูชาที่เป็นเหมือนกับเปลือก ยังไม่ได้เป็นเนื้อของการบูชาถ้าเราต้องการบูชาต้องการสแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อพระคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติบูชาเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าทรงให้สงสอนให้เราปฏิบัติอะไรเราก็นาเอาไปปฏิบัติเช่นสรงสอนให้พวกเรามารักษาศีลแปดกัน ส่งสอนให้พวกเราไปปรีกวิเวกกันส่งสอนให้พวกเรารูา้จักประมาณในการรับประทานอาหารให้เรามันจเจริญสติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนดับพอจดจ่อกาจะทำใจให้สงบได้พอใจสงบเป็นสมาธิมีอุเบกขาแล้วเวลาออกจากความสงบก็เอาความคิดนี้มาคิดในทางปัญญา ให้พิจารณาว่าสภาวะธรรมตั้งหลายเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะขันห้ารูปเมทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมารมณ์ที่มีอยู่ในใจนี้ล้วนเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาพิจารณาเพื่อปล่อยวางเพราะว่าถ้าไม่พิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นผิดเป็นชอบจะเห็นว่าลาบยศสรรเสริญ เห็นรูปเสียงกินรสนี้เป็นสุขเห็นว่าร่างกายเป็นสุขเห็นว่าธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ในใจเป็นสุขก็จะติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อม อนัตตาก็คือไม่ใช่เป็นของเราจะไม่อยู่กับเราไปตลอดมีมาแล้วก็จะต้องมีไปเวลาไปก็จะมีแต่ความเสียอกเสียใจมีความทุกข์และมีความอยากได้คืนมาก็จะกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้สิ่งที่เสียไปก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่เจริญปัญญาอย่าไปคิดว่าเวลาได้สมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเอง ปัญญาไม่เกิดสิ่งที่เราได้จากสมาธิคืออุเบกขาได้ความเย็นได้ความสงบได้ความสบายใจแต่มันเป็นความเย็นความสบายใจชั่วคราวถ้าไม่พอออกจากสมาธิมาไม่นานมันก็จะจางหายไปแต่อยากจะให้มันอยู่อย่างถาวรเราก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อที่จะให้เราปล่อยวางละตันหาความอยากต่างๆ ที่เป็นตัวทำให้ใจเราไม่สงบไม่เย็นไม่สบายถ้าไม่มีตัณหาไม่มีความหลงอยู่ภายในใจแล้วใจของเรานี้จะเย็นจะสบายไปตลอดไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปกิจทางพระพุทธศาสนาจึงมีวันสิ้นสุดลงได้เมื่อเราได้ปฏิบัติจนถึงขีดที่เราได้กําจัดตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆหมดสิ้นไปจากใจแล้ว เราก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปเพราะเหมือนกับคนไข้ที่รักษาหายแล้วจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาไม่ต้องกินยาอีกต่อไปยานี้มีไว้สำหรับรักษาเวลาที่โรคภัยไข้เจ็บยังมีอยู่ในร่างกายพอไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วยาก็ไม่มีประโยชน์ไม่จำเป็นจะต้องกินยาต่อไป ฉันใดการปฏิบัติธรรมเช่นการรักษาศีลการเจริญสมาธิปัญญาก็จะหมดภาระไปจะหมดความหมายไปหลังจากที่ต้นเหตุของความทุกข์นั้นได้ถูกทำลายไปหมดแล้วความทุกข์ไปในใจได้หายไปหมดไปจากใจแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปอยู่อย่างสบายไม่ต้องกั ง, งวลกับอะไรต่อไปเพราะจะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไป นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการปฏบิบัติบูชาที่เรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชานี้ท่านจึงบอกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งดังนั้นในวันสำคัญในวันสำคัญอย่างวันวิสาขาบูชานี้เป็นวันที่เราม า, าลํำเลกถึงพระคุณอันตรเสริญของพระพุทธเจ้า ถ้าพวกเราอยากจะทดแทนบุญคุณอยากจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีก็ขอให้เราแสดงด้วยการามิสบูชาและปฏิบัติบูบชาเถิดเพราะจะทําให้เราได้ได้บูชาอย่างแท้จริงเพราะเราจะได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเราได้ทํากันและได้สิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเราได้รับกัน ก็คือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปสู่พระนิพพานดังนั้นในวันนี้ก็ขอให้ท่านจงดำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันเพื่อจะได้บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าและทำให้เราได้พบกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ การแสดงก็เคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปก ป, ปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธรรมนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภะ อาพิวาทานาัสสลิตะนิจังวุทธาปจายโนจัตาโรธรรวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางลดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหา ก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาถ้าใครต้องการก็มายกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่มีก็จะให้ผู้ที่ทางบ้านฝากถามมามัสการครับอาจารย์กรณีสมมติว่าจิตอยู่ในความสงบแล้วครับแล้วก็ เวลาจิตถอนออกมาพี่อาจารย์บอกว่าให้พิจารณาไตรั ก, กครับให้พิจารณาในขณะที่ยังดับตาหน้าสมารท์ที่หลังจากจิตถอนหรือว่าออกมาออกมาใชชีวิตปกติครับครับได้ทั้งสองอย่างคือถ้าหลังจากจิตเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วก็เอาความคิดปรุงแต่งนั้นมาพิจารณาทางธรรมไปอย่าปล่อยให้คิดไปในทางโลกครัสาธุครับอ จะนั่งต่อแล้พิจารณาไปก็ได้หรือเวลาลุกขึ้นมาทําภารกิจการงานต่างๆก็พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นตายรักหมดก็ได้ครับศาสตร์ครับคุณำถามจากทางบ้านจากคุณลวิวันเขาบอกว่าพระบ้านต้องฉันสองมือ้อพระป่าฉันมื้อเดียวถ้าพระฉันสองมื้อบาปไหมคะ ถ้าไม่ถ้าถ้าก่อนเที่ยงวันก็ไม่บาปนะแต่ถ้าหลังเที่ยงวันไปแล้วก็เป็นการเป็นการกระทำที่ผิดเพราะพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระฉันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอต่ก่อนเที่ยงวันนี้จะฉันกี่มือท่านก็ไม่ห้ามไม่ได้กำหนดจะฉันห้าครั้งก็ได้ขั้งละชั่วโมงตั้งแต่เติ่นขึ้นมาก็เอาไปเลย <laughs> แต่พอหลังเที่ยงแล้วก็ห้ามนะอย่างที่บอกอะที่ว่าให้ฉันน้อยๆเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นในการปฏิบัติถ้าฉันมากๆมันก็จะทำให้เกิดความเกียดค้าเกิดความง่วงนอนจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันพระป่าจึงนิยมฉันมือเดียวพระบานท่านก็นิยมฉันสองมือเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติกันส่วนใหญ่ท่านจะเรียน พระคำพีหรือไม่เช่นนั้นท่านก็จะประกอบพิธีกรรมต่างๆทำพิธีบุญบังสังส่วนงานบุญงานบังสกุลงานสังฆทานงานสวดศพเป็นต้นอันนี้จะเป็นภารกิจของพระบ้านเป็นหลักส่วนพระปฏิบัติพระป่านี้ท่านจะไม่ทำภารกิจทางด้านบุญบังสังส่วนท่านจะทำภารกิจทางด้านทุดงกรรมฐาน ถือธุดงขวัดแล้วก็จเจรินกรรมฐานเพื่อทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายคำถามจากคุณสตีเฟ้นผมบวชวัดบ้านต่างจังหวัด สถานที่สงบดีอยู่แต่กิจนิมนต์จะมีมาเรื่อยแม้เป็นพระใหม่ท่องสวนไม่ได้เขาก็ให้ไปดังนี้การที่จะปฏิบัติให้ต่อเนื่องตื่นจนหลับอย่างที่หลวงพ่อแนะนำจึงทำได้ยากมากหากผมจะไปขอปฏิบัติกับวัดป่าจำเป็นใหม่ที่ต้องศึกก่อนหรือว่าวัดใจไปทั้งที่เป็นพระวัดบ้านแบบนี้เลยเพราะใจจริงก็ไม่อยากศึกครับ คิดว่าเขาไม่ต้องสเสกหรอกเพราะว่าการเป็นพระนี่ก็สามารถที่จะไปอยู่ตามวัดต่างๆได้เพียงแต่ว่าเราต้องไปอยู่ในวัดที่อยู่ในสังกัดเดียวกันคือในประเทศไทยนี้เรามีพระสงฆ์สองสังกัดคือมีพระสงฆ์ธรรมยุทธกับพระสงฆ์มหานิกายซึ่งการปฏิบัติพระธรรมวินัยบางข้อไม่เหมือนกัน ถ้าไปอยู่ปนกันแล้วจะทําให้อึดอัดต่อกันละกันดังนั้นถ้าเป็นพระธรรมยุทธ์ก็มักจะไปอยู่ตามวัดของธรรมยุทธ์วัดถ้าเป็นพระมหานิกายก็มักจะไปอยู่ตามวัดของพระมหานิกายและหากตอนกราบลาท่านเจ้าอาวาสวัดที่บวชนี้ผมกล่าวว่าเพียงแต่บอกไม่ว่าจะอนุญาตหรือไม่ผมก็ต้องไป แบบนี้จะเป็นการลบลูหรือไม่เพราะดูแล้วท่านอยากให้สืบต่อจากท่านครับอันนี้ก็เราก็ต้องดูความสําคัญว่าสิ่งไหนสําคัญกับการการเคารพท่านแต่ไม่ได้ปฏิบัติกับการไม่เคารพท่านแล้วได้ปฏิบัตินี้เราก็ต้องช่ำชั่งน้ําหนักดูว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่สําคัญกว่าถ้าการไม่ได้เคารพท่านแต่ได้ปฏิบัตินี้ มันสำคัญเพราะว่ามันจะมีโอกาสทำให้เราได้หลุดพ้นได้ได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงหรือว่าเราจะเคารพท่านแล้วก็อยู่กับท่านไปแต่ไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องอพิจารณาด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลและดูความสำคัญว่ า, อ, าอย่างไหนจะสำคัญกว่ากัน ยกตัวอย่างหลวงตาท่านก็เคยไปเรียนทางด้านปริยัติอยู่กับพระบ้านพระในเมืองเป็นถึงระดับสมเด็จท่านก็อยากจะเห็นว่าหลวงตาท่านเป็นพระที่มีมีหน่วยการที่จะสามารถที่จะเจริญเติบโตในทางปริยัติได้ท่านก็อยากจะให้อยู่เรียนหนังสือต่อไป พระหลวงตาท่านก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าพอท่านได้ปรียนสาประโยคแล้วท่านก็จะไม่เรียนอีกท่านจะออกปฏิบัติเพราะท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นได้เห็นหลวงปู่มั่นแล้วเกิดศรัทธาอยากจะไปศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นท่านก็ไปขออนุญาตกลาลาแต่ท่านก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้รับอนุญาตท่านก็เลยรอวันที่ท่านไม่อยู่ แล้วท่านก็ไปตอนนี้ไอยู่ท่านถึงได้ปฏิบัติถึงได้เป็นหนวงตาของพวกเราจนถึงทุกวันนี้ถ้าท่านไม่ได้ออกปฏิบัติท่านก็คงจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนไปเป็นสมเด็จไปคําถามจากคุณเตชสิทธิ์ถ้าพระเนนให้โยมสักให้เป็นบาปไหมครับคือเรื่องสัตว์นี่ไม่ใช่ภารกิจของพระที่พงควรจะทำ พามาบวชเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมไม่ได้มาเพื่อที่จะมาสักการสักนี่ก็เป็นเรื่องของวิชาอีกทางหนึ่งที่เรียกว่าสายศาสตร์ซึ่งทางศาสนาพุทธถือว่าไม่ใช่เป็นวิชาที่ที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงไม่ควรจะไปเสียเวลากับการสักหรือการไปเรียนวิชาเหล่านี้ควรจะสนใจน วิชาที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้ศึกษาคือใจศกขาได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาคำถามจากคุณโจเสริมศักดิ์อย่างผู้ที่เจ็บป่วยเราเห็นเขามีความทุกขเวทนาและเขาไม่เคยปฏิบัติมาเราจะแนะนำเขาอย่างไรให้เขากำหนดดูความเจ็บหรือให้เอาจิตไปจับที่ลมหายใจครับ ก็ได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่ว่าเขามีความสามารถทําอย่างไดถ้าเขายังไม่สามารถที่จะพิจารณาความเจ็บได้ก็ให้เขาใช้การเจริญสติให้ระลึกถึงลมหายใจหรือกับบริกรรมพุทโธเพื่อดึงใจของเขาไม่ให้ไปวุ่นวายกับความเจ็บของร่างกายถ้าเขามีงานทมคือใจเขาอยู่กับพุทโธพุทโธใจเขาก็จะสงบแล้ว จะรู้สึกเจ็บน้อยลงไปก็ลองถามไปเรื่อยๆก่อนให้มันได้สักสี่โมงก็แล้วกันค่อยว่างนะคำถามจากคุณประพลอ่านเจอเรื่องชีวิตคู่ที่พระอาจารย์เทศลูกขอคำแนะนำครับลูกทั้งสองไม่ได้มีปัญหาซึ่งกันและกันแต่มีความเห็นตรงกันว่า จะหาทางหยุดทางโลกทั้งปวงและเดินเข้าสู่ทางธรรมแต่เพียงทางเดียวแต่ติดตรงที่ลูกทั้งสองมีลูกยังเล็กได้สิบเดือนลูกทั้งสองได้พบเส้นทางธรรมตอนตั้งครรภ์ได้สี่เดือนจากนั้นถึงปัจจุบันลูกก็เพียรปฏิบัติมาครบหนึ่งปีพอดีซึ่งลูกทั้งสองเห็นว่านี่แหละคือเส้นทางที่พวกเราทั้งสาคือพ่อแม่ลูก ต้องเดินตามเส้นทางคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าสถานะปัจจุบันนี้ของลูกต้องรอลูกชายให้โตก่อนใช่ไหมครับถึงจะออกบวชได้ก็รอให้ลูกโตวบวชเนนได้ก็ไปบวชพร้อมๆกันคำถามจากคุณโอปัสผมอยู่ในอีริยาบทต่างๆจะบริกรรมพุทโธไปเดินจงกรมจะ ก, กำหนดเท้าที่ก้าวไป เวลานั่งจะกำหนดดูลมหายใจความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นมาก็รู้พอรู้แล้วก็ดับไปไปอยู่ในสังคมก็ไม่ไปคิดถึงบุคคลอื่นเห็นใครทำไม่ถูกต้องก็กำหนดคิดไปว่าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะไปว่าเก่าตาักเตือนเขาได้ปล่อยเป็นไ ป, น เ, ปนเป็นเรื่องของกรรมไปบางทีใครพูดอะไรมาก็รู้อย่างเดียวเลือกที่จะเก็บหรือไม่เก็บมาคิดได้ แต่สภาวะก็ยังมีเสื่อมและเจริญอยู่บ่อยๆจึงไม่ค่อยอยากออกมารับอารมณ์ภายนอกการภาวการภาวนาแบบนี้ถูกทางไหมครับถูกแล้วพยายามทำให้มากๆพยายามเจริญปัญญาเพื่อปล่อยวางทุกอย่างตอนนี้ปัญญาเรายังไม่ทันเราก็เลยเกิดอารมณ์ต่างๆเวลาที่เรายังไปรับรู้อะไรต่างๆอยู่งั้นก็พยายามเจริญปัญญาพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นอนัตตา เือเป็นเหตุการณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับหรือให้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราได้เราควรจะปล่อยวางถ้าปล่อยวางแล้วเราก็จะสบายไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆและการภาวนาเมื่อคำ บ, บริกรรมแนบเข้ากับอาการรู้รู้ลมหายใจเข้าออกยาวสั้นหยาบละเอียดจิตรวม ความคิดปรุงแต่งไม่เกิดเราก็อยู่กับอาการรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆในเวลานั่งเดินส่วนเวลาที่ออกมาเข้าสังคมที่ต้องเจอสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจค่อยใช้การพิจารณาสภาวะธรรมม้วนเข้ามาที่จิตแล้วพยายามลาไปให้เร็วที่สุดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วพยายามทำไปเรื่อยๆพยายามปล่อยวางอย่าไปรักไปชังอย่าไปกลัวไปหลงกับสิ่งต่างๆ จิจารณาว่าเป็นเหมือนกับฟองน้ําไม่มีสาระสำคัญอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดก็จะต้องดับไปหมดไปเหมือนกับฟองน้ําเช่นร่างกายของพวกเราทุกคนนี้ไปในห้าสิปีร้อยปีก็จะหายไปหมดแล้วเรามาวุ่นวายกับมันเสียเวลาเปล่าๆพอวุ่นวายไปเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอด แม้แต่ร่างกายของเราเองก็จะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปดังนั้นเราไม่ควรที่จะต้องไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ต้องไปทุกข์กับบุคคลต่างๆถ้าเราเห็นว่าในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องหายไปหมดเราก็จะไม่วุ่นวายเราก็จะปล่อยวางได้คำถามจากผู้ฝากถามข้อหนึ่งโยมมีพี่สาวชอบทำกับข้าวให้มาทาบุญแต่พี่สาวเองไม่ยอมมาวัดเองเลย แต่ถือศีลแปดอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าที่เขาทํากับเข้ามาให้เขาได้บุญร้อยเอร์ซนแล้วมาวัดแล้วเหนื่อยจริงหรือเปล่าคะที่เขาได้บุญร้อยเปอร์ซนแล้วก็อาจจะเกสบเกเอร์ซนั้งขาดเปอร์เซ็นต์นึงก็คือที่เขาไม่เอามาให้เองแต่ก็ไม่ไม่เป็นสาระสําคัญอะไรเพราะว่าเกบเก้าเซนนี้ก็เหมือนกับร้อยเปอร์ซนและอาจจะ ดีกว่าที่มาเพราะว่าถ้าเขาต้องการที่จะอยู่ที่บ้านเพื่อทำใจให้สงบเพื่อเขาจะได้ปฏิบัติทำเขาก็จะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากกว่าประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการมาวัดเพื่อเอาของมาถวายเองก็แล้วแต่แต่ละคนว่าต้องการจะทำอย่างไรบางคนต้องการจะทำเองแล้วก็นำมาถวายเองอันนี้ก็ได้ บางคนทำแล้วหรือมีเงินฝากคนเขาซื้อของไปถวายแล้วตัวเองจะได้ไปปฏิบัติไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบอย่างนี้ก็ยิ่งจะดีกว่าเพราะจะได้ได้บุญที่สูงกว่าคือได้บุญที่เกิดจากการภาวนาถ้ามาวัดก็อาจจะได้เพียงแต่บุญที่เกิดจากการมาทำทานแล้วก็อาจจะได้ฟังเทศฟังธรรมแต่เดี๋ยวนี้เราก็สามารถฟังเทศฟังธรรมได้ทุกคนทุกแห่ง เพราะเดี๋ยวนี้เรามีสื่อที่ทันสมัยอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะฟังทำได้แม้แต่ตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ o กญาติโยมที่อยู่บ้านอยู่ต่างประเทศก็กำลังติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ดังนั้นก็สามารถทำได้ตามความเหมาะสมของภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละคน บางคนยังติดอยู่กับการทำทานด้วยตนเองเขาก็ต้องทำแล้วก็ต้องมาวัดเองอันนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหนบางคนเขาเห็นว่ามาแล้วเสียเวลาของการปฏิบัติเขาอยู่บ้านเขาได้ปฏิบัติต่ตอเ ข, า, Bose, อขาอยู่บ้านเขาก็สามารถฟังเทศฟังธรรมได้อย่างนี้ก็เรียกว่าดีกว่าที่จะมาเสียเวลากับการทำทานเพียงอย่างเดียวข้อสอง แม่โยมชอบทำบุญด้วยการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัตถุสิ่งปลูกสร้างต่างๆโยมชวนมาวัดฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแม่ก็ไม่มาท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นก็มีวิมานรออยู่แล้วในภายหน้าจริงหรือเปล่าคะถ้าทำบุญแล้วก็รักษาศิ่ได้เวลาตายไปก็ไปสวรรค์ก็มีมีสวรรค์วิมานรออยู่แต่ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ อหลังจากที่บุญที่เราทำไว้หมดกำลังลงไปเราก็จะกลับลงมาเกิดใหม่มาทำบุญมารักษาศีลใหม่เราก็จะเวียนว่าอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้ว่าจะต้องมีการปฏิบัติทาที่สูงกว่าการทำบุญให้ทานก็คือการรักษาศีล8รักษาศีลห้าแล้วก็การภาวนาทำใจให้สงบ การเจริญปัญญาอันนี้ก็จะทําให้ได้วิมานที่ดีกว่าคือวิมานนี้มีหลายระดับวิมานระดับสวรรษสวรรค์ั้โลกวิมานระดับพรมโลกและวิมานระดับ อ, อริยเจ้าคือวิมานของพระอริยเจ้าต่างๆมีความวิจิตพิสดารมีความสุขมากน้อยต่างกันไปตามลําดับสวรรค์ ชั้นเทพก็น้อยกว่าสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพรหมก็น้อยกว่าสวรรค์ของพระอริยะเจ้าข้อสามทำบุญหนึ่งแสบาทกับทำบุญห้า้อยบาทเจตนาบริสุทธิ์เหมือนกันได้บุญเท่ากันหรือเปล่าคะเพราะครูบาอาจารย์บางท่านบอกทำมากได้มากบางท่านบอกได้เท่ากันอยู่ที่เจตนาโยมเลยสงสัยคะ่ะแต่คนเดียวกันก็ได้มากน้อยต่างกัน ถ้าเราทำห้ารอยกับทำแสนหนึ่งนี้เราก็จะได้บุญต่างกันเหมือนเรากินข้าวหําคำกับกินข้าว1ิบคำกินข้าวห้าคำมันก็อิ่มไม่เท่ากับกินข้าวสิบคำบุญถ้าเราเงินทองที่เรามีถ้าเราสละได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้บุญคือความสุขใจมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่เราทำแสนหนึ่งเขาทำห้าร้อย แต่ก็ต้องดูว่ากำลังของเรามีมากน้อยต่างกันเช่นถ้าเขามีอยู่พันหนึ่งแล้วก็ทำห้าร้อยนี้ก็าทำร้อยละห้าสิบถ้าเรามีแสนหนึ่งถ้าเรามีล้านหนึ่งเราทำเพียงแสนเดียวก็เราทำเพียงร้อยละสิบเยนถ้าพูดตามตามตามสัสดส่วนแล้วเขากลับทำบุญมากกว่าเราเพราะเขาเสียมากกว่าเราเขาเสียครึ่งหนึ่งเราเสียเพียงร้อยละสิบเท่านั้นอันนี้ก็ ความสุขก็จะต่างกันความสุขใจก็จะต่างกันยิ่งเราสละได้มากเท่าไหร่เสียได้มากเท่าไหร่เราจะมีความรู้สึกมีความสุขมากขึ้นไปตามสิ่งที่เราสละไปแต่อา น, นิสงส์ที่จะได้มาชาติต่อไปก็ไม่เหมือนกันอีกห้าร้อยก็จะได้เท่าก็จะได้ห้าร้อยกลับมาแสนหนึ่งก็จะได้แสนหนึ่งกลับมามันก็มีความไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ เวลาทำบุญก็ขอให้เราดูที่กำลังของเราและดูที่ใจของเราก็แล้วกันถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขก็ทำไปเราไม่ต้องไปดูจำนวนของคนอื่นเพราะแต่ละคนนี้บางทีเขาทำน้อยแล้วก็ไม่มีความสุขเขาก็ต้องทำมากเขาถึงจะรู้สึกว่ามีความสุขเทียบเทียมเหมือนช้างกับหนูหนูกินข้าวเนี่ยกินช้อนเดียวก็อิ่มแต่ช้างนี่ต้องกินถังหนึ่งถึงจะอิ่มใช่ไหม คนที่มีเงินระดับช้างก็ <g ül> ต้องทำทำบุญระดับช้างคนที่มีเงินระดับหนูก็ทำทบุญระดับหนูแล้วจะได้ความสุขใจอิ่มใจเท่ากันแต่อนันิสงที่จะได้รับในพบหน้าชาติหน้าก็จะต่างกันคนทำเงินระดับช้างก็จะได้เงินกลับมาในระดับของช้างคนที่ทำบุญระดับหนูก็ะจะได้เงินกลับมาในระดับหนูมันเป็นอย่างนั้น ใช่รครับขอเขาโ อ, อกาสถามต่อนะครับในสมมุติทําทําบุญแสนหนึ่งนะครับกับพระพระอรหันต์นะครับกับธรรมะคนพิการ น, นะครับบุญเท่ากันไหมครับอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองอันนี้ส่งที่เกิดขึ้นเท่ากันไหมฮะไม่เท่ากันคืออย่างนี้การทําบุญเนี่ยมันมีผลหลายหลายด้านถ้าเราพูดถึงด้านจิตใจของเราเนี่ยเราทํากับใครมันเท่ากันถ้าปริมาณเงินเท่ากันเพราะเราเสียสละเท่ากัน การเสียสละนี้จะทำให้เขาให้เรามีความสุขใจอิ่มใจดมน้นไม่ว่าเราทำกับพระอาหารหันต์หรือทำกับคนธรรมดาในปริมาณที่เท่ากันแล้วก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์เหมือนกันคือเราไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้ที่รับจากเราไปเราก็จะเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจเท่ากันแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทาบุญด้วยนี้จะได้ต่างกัน ถ้าเราไปทําบุญกับพระอรหันต์เราก็จะมีโอกาสได้คุยกับท่านแล้วเราก็อาจจะได้ยินได้ฟังธรรมหรือท่านอาจจะสอนให้เราบรรลุธรรมขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเราทําบุญกับคนธรรมดาเขาไม่มีธรรมเขาก็ไม่สามารถที่จะสอนธรรมมาให้กับเราเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ส่วนนั้นพอดีสี่วงพิจิตรก็ขอหยุดอ <laughs> ย่งั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา